รู้จริงแล้วจัดให้ตรงการรักษาพุทธวจนะสำคัญที่ภาษาบาลีไม่อยู่ที่ตัวอักษรพระเจ้าอโศกมหาราชกรองราชพุทธศักราช218ถึง260นักประวัติศาสตร์ปัจจุบันมักว่าพุทธศักราช270ถึง312 พระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อพิจิตตแควนกลิงคะได้ในปีที่แปดแห่งราชกาลทรงสลดพระไทยต่อความทุกข์ยากของประชาชนและหันมานับถือพระพุทธศาสนาประกาศละเลิกสังฆามวิชัยหันมาดำเนินนยโยบายธรรมมวิชัยบำรุงความสุขและศีลธรรมของประชาชนอุปธรรมบารุงพระสงฆ์รวมทั้งอุปธรรมสังฆนาครั้งที่สาม และส่งพระศาสนาทูตก้าวสายไปประกาศพระศาสนาในแดนห่างไกลเริ่มแต่เมื่ออภิเษกได้12พรรษาพระเจ้าอาโศกมหาราชได้โปรดให้ทำศิลาจารึกเขียนสลักธรรมลิปิเป็นลายสือธรรมคือข้อความที่เขียนไว้เพื่อสอนธรรมกระจายไปทั่วจักรวรรดิอันไพศาลเท่าที่พบ28บฉบับแต่ละฉบับมักจารึกไว้ในที่หลายแห่ง ความในธรรมลิปิซึ่งจ่ารึกไว้ที่เสาศิลาหินผานั้นบอกพระราชจริยาวัดพระราชกรณียกิจพระราชประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อประชาชนหลักธรรมที่ทรงแนะนําสั่งสอนประชาชนและข้าราชการการจัดบริการสาธารณะประโยชน์ต่างๆจ่ารึกบนเสาหินแผ่นศิลาแห่งนี้แม้ว่าจะมุ่งจริงจังในการสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนและข้าราชการ แต่มีได้มีการจารึกพุทธวจนะไว้บนเสาหินและแผ่นศิลาเหล่านั้นแต่อย่างใดจะต้องเข้าใจสภาพความเป็นจริงว่าจากักรวรรดิของพระเจ้าอาโศกนั้นกว้างใหญ่ไพศาลกว่าประเทศอินเดียปัจจุบันมากแม้ว่าทางใต้จะไม่ตลอดทั้งหมดแต่ทางตะวันออกตั้งแต่บังกลาเทศขึ้นไปตะวันตกเฉียงเหนือถึงอัฟก า, านิสถานในดินแดนกว้างใหญ่ที่มีราษฎรหลายเผ่าพันธุ์หลายภาษา จาึกศิลาหรือเจาึกหินของพระเจ้าอาโศกนั้นแต่ละฉบับแต่ละเรื่องต้องไปเจาึกไว้ต่างแห่งต่างที่บางฉบับขุดค้นพบแล้วถึง12แห่งที่ยังไม่พบก็คงมีการเจาึกก็ต้องใช้ภาษาถิ่นเป็นปรากริะแนนงต่างๆบ้างคือภาษาพื้นเมืองในอินเดียสมัยโบราณนะครับภาษากรีกบ้างอาเรเมียนบ้างและอักษรหรือตัวหนังสือก็ต้องเปลี่ยนใช้ตามถิ่นด้วย ที่มากคืออักษรพรามหมีรองลงไปคือคโรโสถีภาษาของพระไตยปิฎกที่รักษาพุทธพจน์นั้นลงตัวเป็นภาษาบาลีแบบแผนแล้วตั้งแต่สังคยนาครั้งแรกสเดือนหลังพุทธปริรินิพนธ์และประสงค์ต้องสาทยายเป็นประจำสม่ำเสมอตรงกันทั่วทั้งหมดมิใช่จะใช้สื่อแก่ประชาชนสมัยหลังครั้งอโศกในถินแดนที่มีภาษาถิ่นของตนของต น, งตนที่ปรากฤตกรีกร อาเรเอมีเนอันหลากหลายรวมความว่าภาษาในจารึกอโศกไม่ใช่ภาษาบาลีที่จารึกรักษาพระไตรปิฎกและพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่ภาษาถิ่นภาษาชาวบ้านที่ใช้ในจาวรึกอโศกต้องแยกเป็นคนละเรื่องกันเมื่ออาตมาแปลคําำจารึกของพระเจ้าอาโศกเสร็จในพุทธศักราชสองพพิมพ์ครั้งแรกพุทธศักราชสองพ จารึกพบแล้วทั้งหมด28บฉบับแต่ละฉบับนำไปจ้ารึกในทิ่ดินแดนต่างๆฉบับละมากหลายแหง่งอย่างที่ว่าแล้วบางฉบับถึง12ถิ่ทินคำว่า28บฉบับไม่ใช่28แหง่งหลังจากนั้นไม่ได้ยินว่ามีการพบจ้ารึกอโศกเพิ่มใหม่อีกถึงแม้ท้าพบก็คงแน่ว่าพบในที่ใหม่แต่เป็นฉบับที่พบก่อนแล้วในที่อื่น ย้ำว่าจา่าเรกอยีสิบแฉบับเป็นราช อ, องค์การของพระเจ้าอาโศกซึ่งตรัสแสดงพระราชกรณียกิจพระบรมราชโชบายพระราชประสงค์และพระราชานุาสาดแก่ข้าราชการและประชาชนแม้จะมีหลายเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นตรัสเล่าการที่ได้ทรงเป็นอุบาสกการเสด็จไปทรงนมัส ก, การที่ประูซดที่ลุมพินีการประกาศให้ภิกษุภิกษุณี อยู่ในความสามัคคีธรรมะที่ทรงสอนก็เป็นหลักที่ทรงนำไปถ่ายทอดทรงอธิบายเองไม่มีจารึกพุทธวจนะอย่างใกล้ที่สุดก็คือตรัสเตือนให้เอาใจใส่พระพุทธวจนะข้อนี้สูตรนั้นที่ว่านั้นก็คือพระราชองค์การในศิลาจารึกแห่งภัยรัฐซึ่งพระเจ้าอาโศกตรัสแก่พระสงฆ์ว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญมีธรรมะบัญญายู่ดังต่อไปนี้ 1. วินัยะสมุ ก, กังสัตหลักธรรมดีเด่นในพระวินัย 2. อริยาวาสะความเป็นอยู่อย่างพระอริยะ 3. อนาคตะพยะภัยอันจะมีในอนาคต 4. มุนิคาถา คาถาของพระจอมมุนี 5. โมเนยสุตตะพระสูตรว่าด้วยโมเนยปฏิปทา 6. อุปติสสะปัญหาปัญหาของอุปติสสะและ 7. ข้อความที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าตรัสไว้ในราหุโลวาทะอันว่าด้วยเรื่องมุสาวาตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ โยมีความปรารถนาในส่วนที่เกี่ยวกับธรรมบรรยายเหล่านี้ว่าขอพระภิกษุผู้เป็นที่เคารพและพระภิกษุณีทั้งหลายเป็นอันมากพึงสดับและพิจารณาไครครวนในธรรมบรรยายเหล่านี้อยู่ด้วยสม่ำเสมอเป็นประจำแม้อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายก็พึงสดับและนำมาพิจารณาไครครวญอยู่เสมอเสมอเช่นกันข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายด้วยเหตุนี้แล โยมจึงให้เขียนจารึกนี้ขึ้นไว้เพื่อประชาชนทั้งหลายจะได้รู้เข้าใจถึงความมุ่งหมายในใจของโยมก็เลยยกจาวรึกอโศกฉบับนี้มาให้ดูจะได้มองเห็นรูปลักษณ์แห่งศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชและนี่เป็นฉบับที่เรียกได้ว่าพิเศษตามปกติตรัสแก่ราษฎรน้อยนักที่ตรัสแก่พระภิกษุภิกษุณี พูดได้ว่าพระเจ้าอโศกมหาราชตรัสเตือนพระโดยระบุชื่อพระสูตรและหัวข้อพุทธวจนะที่ขอให้พระเอาใจใส่ไม่ใช่ส่งนาพุทธวจนะมาแสดงแต่ให้พระไปดูพุทธวจนะนั้นก็คือพุทธวจนะที่พระเองนั่นแหละเล่าเรียนสาธยายกันมารักษากันไว้พระเจ้าอโศกก็ได้ทรงทราบจากพระนั่นแหละ ในสมัยพระเจ้าอาโศกยังไม่ได้จารึกพุทธพจน์เป็นตัวหนังสือพระสัทยายจํำกันมาโดยมุขปาเถะคือปากกล่าวจะมีการเขียนก็เฉพาะบอกกล่าวสื่อสารกันเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวอักษรสมัยนั้นดังว่าแล้วอักษรปราหมีใช้มากแต่คโรสถีก็มีด้วยแล้วในกรณีของพุทธวจนะเรื่องตัวอักษรก็ไม่ได้มีความสาคัญในตัวมันเอง เมื่อบัญญัติลงสัญญาติกันแล้วจะใช้ตัวอักษรใดจารึกพุทธวจนะก็ได้ในเมืองไทยก่อนรัชกาลที่5เราจะารึกพุทธวจนะด้วยอักษรขอมและแม้เมื่อรัชกาลที่5โปรดให้พิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยแล้วพระทั่วประเทศก็ใช้คัมภีร์ใบลานจานอักษรขอมึ้นมาอีกนานแม้ในการเรียนบาลีของพระเนนก็ยังสอบเขียนอักษรขอมกันมาเรื่อย เพิ่งเลิกก่อนอาตมามาสอบไม่นานที่พระคึกฤตพูดให้เข้าใจในเชิงว่าเสาหินของพระอโศกได้เป็นที่จารึกรักษาพุทธวจนะมีการใช้อักษรพระหมีจารึกรักษาพุทธวจนะอะไรนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเรื่องเสาหินเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกก็พูดแค่นี้ก่อน